วัดวัดตามันหมุนหมุนหมุนไม่จบไม่สิ้นเลยหล่อเลี้ยงกันไปมาแล้วว่างอาวิชาเอาสวะจริงเอาวิชาก็าเป็นอาสวะตัวหนึ่งเนอ า, อาวิชาสวะเป็นเป็นสภาวะธรรมเป็นกิเลสที่ ห, อห่อพุ่มจิตเลยเป็นสิ่งที่ ห, อห่อพุ่มจิตนลยพวกเราตอนนี้ใครภอวนาแล้วเห็นสิ่งที่ ห, อห่อพุ่มจิตบ้างมีเรื่อยง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 มีรูป18นะเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งลมไปตัวนี้ยี่สรูปทำไมมี18เป็นรูปแท้รูปที่เหลือไม่ใช่รูปแท้เป็นรูปอาศัยอย่างรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนไม่ใช่รูปแท้ตัวที่ยืนเดินนั่งนอนคือก้อนธาตุธาตุดินน้าไฟลมเป็นรูปแทแล้วก็มีเจตสิกอีก50บ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 จะเรียนปริยัติให้แตกฉานก็เรียนเรื่องสภาวะจยปฏิบัติให้แตกฉานก็คือเรียนเรื่องสภาวะนี่นั้นเดียวกันงั้นนักปฏิบัติเรียนอะไรถามว่านักปฏิบัติเรียนอะไรเรียนอภิธรรมนะนักปฏิบัตินี่แหละเรียนอภิธรรมไม่ใช่เรียนอย่างอื่นที่พวกเรามาหัดดูเราดูรูปธรรมนำมารมทำงาน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 ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะเราก็เกรงใจกันนะเกรงใจกันจริงๆมันเกรงใจไม่ถูกหรอกแต่เกรงใจมันก็เป็นมารยาท <c oughs> แต่ต้องเรียนนะไม่ใช่โจมตีใข่ชัางสิ้นหนองอย่างพิจารณ์กายเป็นปฏิกรูณาสุภาษไม่ใช่วิปัสนาะไม่ใช่วิปัสนาเลยทําความสงบแล้วพิจารณ์กายเว็นสมถนะเรื่องของสมถะไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนาม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 ว่าถ้าพระแน่จริงนะให้เข้ามาในปากนั้นมันจะงับแน่จริงออกไปให้ทันนะขนาดถ้าสารีบุตรอาสาเข้ามาพระเายังไม่เอาทําทำไม่ได้มีพระโมคคัลลาทําได้เข้าสมาธินั้นเข้าไปอยู่ในปากพญานาคออกจากสมาธิเข้าสมาธิออกมาก่อนที่มันจะงับงูงับเร็วไหมท่านต้องมีเคล็ดลับจับแสงสว่างเนี่นะปุ๊บเข้าไปเลย